أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ر ب الع ا شرح ل ي ص د ي ر ي ويسدري أمني وحد ا ل و ق ة من لسان يفقو ي قولي لبي زدنا إدمن نافع و ر س ق ا طيبا وعملا متقبالا اللهم الح لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيك ولك الحمد ب ع الح د الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله و, ال و, و ح د, د ه د ال لا شريك لا إله الأولين ا والآخرين وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أرسل ه الله بالهدى ودين الحق ليذهره على الدين كله ولو كان هالكافرون أما ب د ذكر الله تعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان ا ل ر ج ي م ك ل إذا دكت الأرض دكت د ك وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ ص َ ف ًّ ا صَفًّا, صفاً و َ ج ِ ء َ ي َ و ْ م َ ئ ِ ذ ٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَا لَكْ ب َ ر ُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ ا ل ذ ِّ ك ْ ر َ ة يَكُولُ يَا ل َ ي ْ ت َ ن ِ ي قَدْ نَمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ ع َ ذ َ ا ب َ ه ُ أَحَدٌ وَلَا ي ُ و ث ِ ك ُ و َ ت َ ا ق َ ه ُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ ا ل ْ م ُ ت َ م َ ي ِ ن َ ة َ เริรมมร า, า, า, าครครับพี่น้องที่รักยิ่งครับผมเราก็มาถึงช่วงท้ายของสุรอัอัลฟากันแล้วนะครับผมหลังจากที่พวกลอสุบฮานูตาได้บอกเราให้เราได้มีสติได้เราได้คุณคิดถึงการสร้างของพวกลสุบฮานูตาทั้งสิ่งต่างๆทั้งยามคำคืนทั้งยางกลางวันทั้งสิ่งที่พวกเขาสร้างมาเป็นคู่สิ่งที่เป็นขี้ พร้อมกับกลุ่มชนที่ว่าเขาได้รับความปวดปานกลุ่มชนที่ได้รับบททดสอบกลุ่มชนที่เขาสอบตกด้วยกับความเย่อหยิ่งยโสของเขาแล้วก็ด้วยกับบททดสอบต่างๆที่พระองค์ได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นจากเขาแล้วพระองค์ก็ได้บอกถึงคุณลักษณะของมาดาบ่าวที่เป็นผู้ที่สอบตกยิ่งเขาได้มากเขาก็ยิ่งห่วงแหน่ย่เขาได้มากเขาก็ยิ่งอาธรรมยิ่งเขาได้มากเขาก็ยิ่งที่จะทําลายผู้อื่น ทั้งหลายทั้งปวงที่พ่อรัสุปหานุตราว่วามานสระเวลฟ์ช ท, ท่านเละเปล่าเลยไม่ใช่เช่ น, นั้นหรอกมันไม่ใช่แบบที่เจ้าคิดหรอกที่บอกว่าบางครั้งมสุสลิมเองก็อาจจะคิดว่าความนิติธรรมอยู่ที่ไหนทําไมถึงพ่อรัปล่อยให้คนดีถูกอาธรรมทำไมพ่อรับปล่อยให้คนดีถูกฆ่าทำไมพ่อรับปล่อยให้คนดีนั้นถูกหยิบฉวยเอาทรัพย์สมบัติถูกทำร้ายถูกรังแก หรือทำไมพวกเราให้คนที่ชั่วร้ายเนี่ยทำไมร่ํารวยเอาเลยเอาเลย เ, เอามีความมั่งคั่งหรือว่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีก็ล่ะทั้งหมดมันคือดุนยาพี่น้องอีเดดูกาติลอัคดูดักเนดักแกเมื่อผืนแผ่นดินเมื่อโลกนั้นถูกทําให้ถูกขย่าถูกทําให้ราบเหยียบวัชเยอร์ร็อบบูเกวัลมาลาปุซฟันซันฟฟาและเมือ่อขังที่นาของเจ้าแล้วบรรดาเมาริกาต่างพากันมาเป็นทิวแถวพี่น้องลองจินตนาการถึงความรู้สึกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น หลังจากที่เราอยู่ในดุนยาช่วงและเวลาที่แสนสั้นเจปี80ดปีหรือที่ท่านอนับดุลโมสโอลอสัมบอกไว้ก็คืออายุไขโดยเฉลี่ยของอุมามประชาชาตินี้ก็อยู่ที่60ถึงเจแปลว่าใครอายุมากกว่า60ปีนั่นคือกำไรชีวิตของเขาแล้วใครที่มีโอกาสมีชีวิตอยู่จนถึงช่วงของวัยกเกษียณนะครับผมก็ถือว่านี่เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่แล้วเหมือนกับที่ท่านอับดุมฮัมมัดสโลโลของอะเลวิสวัลัมได้บอกเขาว่าคนที่ดีคนที่น่าอิจฉา คือคนที่เพืเลาะให้เขามีอายุที่ยืนยาวแล้วเขาก็ใช้ชีวิตอายุที่ยืนยาวนั้นในการทําอามันอิบาดะต่อพวกลอสซุบฮานนะฮูวะตาอัละละดังนั้นพี่น้องที่รักเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ในดุนยาเร า, าจะรู้สึกว่าความทรมานมันยาวนานเราจะรู้สึกบททดสอบเนะี่ยมันลําบากและเกินแล้วอาจจะมองไม่เห็นทางออกเราจะมีความรู้สึกประดังประเดทั้งความหวังทั้งความกลัวทั้งความรักทั้งความหด ทั้งความรู้สึกแย่ทั้งความรู้สึกดีทั้งความหวาดกลัวทั้งการสูญเสียความรู้สึกที่มันประเดประดังมาในดุนยาพี่น้องบางทีเราก็มองคนอื่นเนี่ยทำไมคนอื่นเอาล้อเมตตาเขาล้นเกินทําไมไม่ให้เขาโดนเหมือนกับที่ฉันโดนหรือทําไมฉันไม่มีเหมือนกับที่เขามีหลายครั้งที่เรามองดุนยาเรามองแค่ภาพแคบๆแล้วเราก็รู้สึกว่าทั้งหมดของความสุขความทุกข์เรามันอยู่แค่ดุนยากั้นล่ะไม่ใช่พี่น้องเมื่อซีมเราต้องมองภาพรวมเราต้องมองภาพใหญ่ เราต้องมองภาพใหญ่มองให้เห็นว่าในดุนยามันเป็นแค่จุดเล็กๆที่มันจะส่งผลต่อภาพใหญ่ทั้งภาพอีกทีดุนยาเป็นเพียงแค่จุดเล็กๆ เ, เป็นเพียงแค่ชีวิตของเราที่เราเกิดมาเราเจอบททดสอบแล้วเราก็ต้องเสียชีวิตแล้วต้องกลับไปหาพวกลัซซุปฮานกาละกันละหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วความจริงเราก็จะพบเจอเราจะได้รู้ว่าตกลงในดุนยามันมีค่าแค่ไหน เหมือนกับที่ท่านนบีมูฮัมหมัดสุลามบอกไว้ครับว่าหากดุลยาสําหรับอัลลอฮ์มีค่าเพียงแค่ปีกยุ่งอัลลอฮ์นั้นคงจะไม่ให้น้ําแก่เวลาผู้ไปเซสาแต่สําหรับเอาลกอแล้วดุลยามันไร้ค่าเหลือเกินมันไม่มีค่าเลยไอ้ที่เราเห็นน่ยมีทรัพย์สินมีทองคํามีความสวยงามมีน้ําตกมีเลือกสวนไล่นามีสัตว์เลี้ยงมีคนที่สวยงามมีคนหล่อเหลามีความอยู่ที่สะดวสบายมีอาหารการกินที่เลิศหรูทั้งหมดที่มันเป็นความผาสุก ที่มันเป็นความงดงามที่มันเป็นความสวยงามของดุนยาสําหรับพัวล้อแล้วไร้ค่าไม่มีค่าเลยในเขาสําหรับพัวล้อสุภังรุงตานะแต่เพียงแต่ใจของเราที่แบกมันเอาไว้ใจของเราที่รุ่มหลงกับมันที่ทําให้มันเนี่ยเป็นทั้งชีวิตของเราแล้วทําให้มันนั้นส่งผลต่ออาคีล็อกของเราขั้นลนะเมื่อตอนที่เราเสียชีวิตเมื่อนั้นแหละครับเราจะรู้ว่าส่วนใหญ่ที่เราทําในดุนยา มันช่างไร้ความหมายเมื่อถึงตอนนั้นแหละเราถึงจะรู้ว่ามันช่างไร้ค่ามันช่างไม่มีค่าเหมือนกับปีกยุงนั่นแหละมันไร้ค่าเสียยิ่งกว่าปีกยุงก็คือมันไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระอะไรเลยทาไมฉันต้องไปตามหาอาหารเที่อันประหลาดขนาดนั้นเมื่อตอนฉันตายแล้วฉันไม่ต้องการมันเลยทําไมฉันอยากจะมีเสื้อผ้าอย่างนั้นทำไมฉันอยากมีของมีแบรนด์หรูๆทําไมฉันอยากมีมือถือใหม่ล่าสุดทําไมฉันต้องไปวิ่งตามนวัตกรรมทําไมฉันต้องอยากมีอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ทําไม เกินครึ่งหนึ่งของชีวิตของฉันเนี่ยมันช่างไร้สาระขนาดนั้นกันแล้วถึงเวลาเมื่อทุกคนเสียชีวิตจะเป็นมุสลิมศรัทธาต่ออัลลอฮ์หรือจะเป็นกาเฟตที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์เมื่อถึงเวลาเขาเสียชีวิตทุกคนเขาจะรู้หมดเลยเขาจะรู้หมดเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาทําอะไรลงไปเขาพูดอะไรไปเขาคิดอะไรไปเขาปฏิบัติตัวอะไรไปเขาทอดทิ้งอะไรไปเขาหลงลืมอะไรไป เพียงแต่ว no ่าก <Bu> ั <don> <Thi> ้นมันมันสายมันไม่ทันแล้วสำหรับคนที่สายมันก็สายไปแล้วแต่สำหรับคนที่ใช้มันอย่างเต็มที่เพื่อโลกอัจฉริยะของเขาเบอร o เจเออร์ t ็อบบูเกอรัวลมาลาคุสโซฟันโซฟาเมื่อเขาเสียชีวิตอยู่ในหลุมฝังศพเขาจะได้รับการแจ้งข่าวดีหลุมศพเป็นที่สะดวกสบายให้แก่เขาการถูกสอบสวนนั้นจะได้รับการทาให้มันง่ายได้ตั้งแต่ในหลุมฝังศพ เขาจะมีสิ่งที่มาอยู่เป็นเพื่อนเขาคือการงานที่ดีของเขาคือกุรอานที่เขาให้ความสําคัญคืออามันอิบารัดที่เขาให้ความสําคัญแล้วพวกหลายสิ่งเหล่านั้นมาอยู่เป็นเพื่อนเขากันเหรอแต่ถ้าว่าบรรดาผู้ไปเสดสตาล่ะไม่มีอะไรอีกแล้วที่มันจะตามเขามาทั้งทรัพย์สินทั้งสิ่งของทั้งของที่เขาให้คุณค่าทั้งญาติที่เขารักทั้งคนที่เขารักทั้งคนที่ยกย่องเขาให้เจียเขาไม่เหลือใครอีกแล้วเมื่อเขาต้องอยู่ตามลาพังในดุมฝังศพกับการถูกสอบสวนกับมาไลกะ ที่น่าบุตรบึง้งที่หน้าสะพนปัวด้วยกับการงานชั่วร้ายที่อยู่กับเขามูการกับนาเกีสมาเลกา้าที่ว่าไม่แคร์ไม่สนเลยว่าเราจะเป็นใครเขามีหน้าที่จัดการเราสอบสวนให้ชัดเจนกันหละถ้าหากว่าหลุมฝังศพนะมันหนักแล้วเมื่อถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมายิ่งหนักกว่านั้นอีกเพราะถูกคืนฟื้นคืนชีพมาในสภาพไหนละ่ะเมื่อถูกแผ่นดินะมันขับเราออกมา มันไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับเราอีกแล้วเมื่อเราออกมาพวกเราบอกว่าเหมือนกับเจ้าฟอโรชินมา บ, บัสูดเหมือนกับมแมลงเม่าที่บินว่อนเวลามีไฟแนละ้วมันบินว่อนเนี่ยครับก็เหมือนกับคนที่แบบแตกลุกมือกระจายออกมาไม่มีใครสงสัยเสื้อผ้าจริงไอชาพอได้ยินที่ไอชาถามนาบีวิลาเราสู้เรลาเขาจะไม่อายกันเหรอท่านนบีบอกว่าไงครับไอชาความน่าสะเพรนอณความน่าสะพึงกลัวในวันนั้นเนี่ย มันทําให้ผู้คนไม่สนใจหรอกเรื่องเสื้อผ้าไม่สนใจหรอกว่าเขาอยู่กับใครไม่สนใจหรอกว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไรลิกุลิมลีอิมินหุมยาไมรินชานูยุคนี้ในวันนั้นเนี่ยแต่และคนเขาจะมีแต่เรื่องที่เขาเป็นกังวลเรื่องที่เขาเครียดไหนจะถูกสร้างขึ้นมาในสภาพร่างกายแบบไหนว่างรออาลัม แล้วถูกสร้างมาปุ๊บต้องรอคอยขนาดไหนก็ไม่รู้แค่จะไปขอให้พวกล้อเริ่มการสอบสวนก็ไม่กล้าไม่มีใครกล้าสักคนตั้งแต่นบีอาดัมคนที่ประเสริฐที่สุดคนหนึ่งนบีนัวนบีอิบรอฮิมนบีมูซานาบีอีซาใครก็ตามไม่มีใครกล้าสักคนเลยนี่คือความน่าสะพรึงกลัวของวันเกียรมะวันเกียรมะที่เมื่อพวกเราถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาพวกล้อพวกองค์ก็จะมาพร้อมกับบรรดามมลีกะที่มากันเป็น กลุ่มเป็นกลุ่มมาแบบเป็นแถวพี่น้องที่ดูถึงแถวขนาดยาวมันจะยาวแล้วก็ใหญ่โตมหึมาขนาดไหนเพราะเหมือนกับที่ชนบีมสุสลิมพูดเปรียบเทียบเอาไว้ถ้ามีคนหนึ่งคนจะมีชัยตอนอยู่ก็จะมีจินอยู่เก้ตนถ้ามีจินอยู่หนึ่งตนะจะมีมาริกะร์อยู่9กท่านเป็นการเปรียบเทียบคร่าวๆแต่หมายว่าจำนวนมราริการ์มีมากมายแต่เมื่อถึงเวลาวันเกียร์มะชมาริการ์ทั้งหมดจะมาแบบเรียงแถวไปหมดพี่น้องคิดดูถึงความน่าสะพรึงกลัวแล้วเราที่เป็นมนุษย์ต่ําต้อย เราที่เป็นสิ่งถูกสร้างที่เราเคยคิดว่าดุนยาคือทั้งหมดของเราจะอยู่ในสภาพไหนกันเมื่อพวกลอสซุบฮาดัวตราพุ่มก็มาการมาของพวกลอสครับอันสเนวันชมาเราเชื่อตามที่พวกลอสบอกพวกลอสบอกว่าพวกมันจะมาเราก็เชื่อตามนั้นเราไม่ตีความเราไม่ไปเปรียบเทียบเราไม่ปฏิเสธความหมายพวกลอสมาในรูปแบบรูปลักษณ์ที่เหมาะสมกับความเป็นพระเจ้าของพระองค์ไม่เหมือนกับมนุษย์ไม่เหมือนกับสิ่งถูกสร้างใดแต่ที่แน่แก็คือการสอบสวนมันจะเริ่มแล้ว และอย่างที่ผมบอกครับขอแค่จะเริ่มสอบสวนยังไม่มีใครกล้าขอแค่จะให้เริ่มมีการสอบสวนยังไม่มีใครกล้าเลยพี่น้องที่รักษ์เพรารอกษาต่อมาครับวบอจีเอยอ์มาอีดิมบิจ่ฮันนัม พี่น้ ahi, un, องอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลาฮิราจูลอุซุบลามินลาลิจะมีความน่าสะพรึงกลัวใดที่จะสามารถอธิบายถึงความน่าสะพรึงกลัวที่จะเกิดขึ้นตอนนั้นเมื่อจะมีการสอบสวนแล้วใช่ไหมเมืม่อทุกอย่างถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาใช่ไหยเมื่มอแต่ละคนก็พอจะรู้อยู่ว่าอะไรอ่ที่มันรอคอยเขาอยู่ขอมาบ น, นะครับดี๋ยวผมขอจัดกับข้อความนิดนึงนะครับผม นะครับผมพอเราไกล่าวต่อครับวาชีะยาแมอิดิมบิจะหันนำเยาแมอิดียะตะั تذكر อินซานุว่าอ ah ันละหุดิการะหลังจากนั้นครับวันนั้นนรกก็จะถูกนำออกมาพี่น้องท่านอับดุลมุสล ล, สลัมได้บอกไว้ครับว่าไว้นรกเนี่ยจะถูกลากมาให้เห็นก่อนที่จะเริ่มทำการสอบสวน ไฟนรกซึ่งในอิคฮลหนึ่งท่านนบีบอกว่าพวกล้อจะผูกไฟนรกด้วยกับสายโซ่เจ็ดหมเส้นแต่และเส้นจะมีมารายกะรเจ็ดหมื่นท่านลากมันออกมาสุภ า, านว่าหนึ่งเส้นเจ็ดหมืนท่านแล้วก็มีอีกเจ็ดหมเส้นความใหญ่โตโมโหฬารของนรกจะเป็นอย่างไรแล้วก็มันเป็นการเตรียมฉากกับพี่น้อง พีน้องคิดดูถูกฟื้นคุณชีพมามาลายกามาเป็นแถวมาลายกามาเป็นกนลุ่มเรยอยู่ในสภาพที่ว่าหลอดไม่หลอดแล้วนรกค่อยๆถูกลากมาความรู้สึกมันจะยิ่งสะพนกลัวขนาดไหนหัวใจมันจะยิ่งตุ่มๆุมต่อมตอมขนาดไหนมันจะมีความสะพึนกลัวเกิดขึ้นในใจเรามากแค่ไหนเวชีจะถูกพามาเยามาอินดีนในวันนั้นน่ะบิจะหันนำไฟนรกมีจริงไม่ใช่มีการเปรียบเทียบมันไม่ใช่เป็นการเปรียบเทียบ ไฟนรกมีจริงที่การลงโทษนั้นเกินจินตนาการที่ท่านอับดุมฮัมมัดสลาลัยซามได้บอกว่าผู้รอดใช้เวลาหนึ่งันปีในการจุดไฟนรกแล้วใช้เวลาอีกพันปีจุดมันให้เปลี่ยนจากไฟนรกให้เป็นสีขาวแล้วก็ใช้เวลาอีกพันปีเปลี่ยนจากไฟสีขาวให้เป็นสีดำไฟนรกมีสีดำพี่น้องความร้อนแรงที่เกินจินตนาการแค่น้ำรั่วแค่ไฟไหม้แค่อะไรเท่าที่เราเจอในดุนยามันก็ทร ม, มานสุด แต่เมื่อไฟนรกมาพี่น้องรู้ไหมในดุนยาตอนที่อากาศร้อนมากๆเนี่ยได้รับผลกระทบมาจากความร้อนของไฟนรกด้วยอากาศเลยร้อนจากมันไม่ใช่แค่ดวงอาทิตย์อย่างเดียวพี่น้องมันไม่ใช่เพียงแค่ดวงอาทิตย์อย่างเดียวแต่เป็นความร้อนที่มาจากไฟนรกที่มันส่งมาถึงโลกดุนยาแล้วจะเป็นยังไงถ้ามันมาอยู่ต่อหน้าพวกเรา ว่าชีอายาวไม่ิ้มบีจะหั่นนำวันนั้นนรกจะหกน้ำออกมาถูกลากมาด้วยโซ่เจ็ดหมนเส้นแต่ละเส้นก็มีไรกะเจ็ดหมื่นท่านช่วยกันดึงลากมายามาอีดียะ تذكر ุอินซานว่อันนัละหุดิการะในวันนั้นครับมนุษย์เขาจะคิดออกยแต่ไรกะคิดออกหมดเลยเห็นภาพเลยว่าในอดีตฉายภาพออกมาเห็นหมดเลยว่าเขาทําอะไรมาบ้าง ย่าเตระกัลุอินซานรู้หมดเลยครับรู้เลยว่าเขาทำอะไรบ้างรู้เลยว่าเขาพลาดตรงไหนบ้างรู้เลยว่าอะไรที่เขาไม่ควรทำรู้เลยว่าอะไรที่เขาควรจะทำแล้วเขาไม่ได้ทำในวันนั้นรู้หมดเลยครับไม่จำเป็นต้องมีการสอบสวนกาฟานับซิการเยอมาอิเลกาฮัซซีบาที่บ i กกล่าวในข้อหลังว่าเพียงพอแล้วที่เจ้าจะตัดสินตัวของเจ้าเองเจ้ารู้ดีนิ่าเมื่อที่ ย, าาย่ยาเตระกัลุอินซนว่าอันนาละหุดิกระ แต่การคิดได้ในเวลานั้นมันจะมีประโยชน์ใดกันเล่าคิดตอนนั้นมีประโยชน์อะไรไปคิดได้ว่าฉันน่าจะละหมาดแต่ดุนยามันจบแล้วพวกเราทํทลายหมดแล้วมอคิดด้ดวยได้ว่าในดุนยาฉันน่าจะช่วยเหลือผู้คนให้มากกว่านี้ฉันน่าจะเมตตากับคนของฉันฉันน่าจะรักษาอามานะของฉันฉันน่าจะดูแลครอบครัวของฉันให้ดีกว่านี้ฉันน่าจะทาดีกับพ่อแม่ฉันมากกว่านี้ ฉันควรจะฉันควรจะฉันน่าจะฉันต้องฉันอะไรก็ตามแต่วาอันเนลาหูอจิกกรมันจะมีประโยชน์อัะไรกันเล่าที่มันจะคิดได้ตอนนั้นพี่น้องตอนนี้ยังคิดได้เนี่ยมันยังไม่สายเราได้ข่าวการเสียชีวิตครั้งแล้วครั้งเล่าที่ผ่านมาก็อาจารย์อีกคนหนึ่งของเราก็เพิ่งเสียชีวิตไปก็ขอร้องเมตตาท่านอินนาลิลาหูอินนาอิลาะจุลอัลลอฮุมาชุลีฟีมุสลบะตีวะกลุฟีขานัมินฮะ กิดเสียชีวิตมีตลอดเมื่อไหร่จะเป็นตาเราลดเสียชีวิตเราอยู่ในหลุมฝังศพรอพร้อมแค่ไหนล่ะพี่น้องแล้วเมื่อมาเจอวันเกียร์มาเราจะพร้อมแค่ไหนแล้วจะรอไหมล่ ะ, จ ะ, ละจะรอไหมที่พูดว่าอันนาหรือคุนดิกกรอนเนี่ยจะไปคิดตอนนั้นแล้วความคิดได้ตอนนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรอย่กู้หยาไรต์นีกัดดําตูรีฮียตีจะไปรอตอนนั้นใช่ไหมล้วก็ถึงจะมาคิดได้แล้วก็ถึงจะมาบอกว่าฉันน่าจะทําอะไร ที่มันเป็นความดีที่มันจะส่งผลกับฉันในตอนนี้ยาไลต์นีในภาษาหลับพี่น้องที่รักไลต์นีคือเวลาอุทานในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วในภาษาหลับจะอุทานว่าไลตา้ายาไลต์นีคือมันเป็นไปไม่ได้แล้วอย่ากูร้รูยาไลต์นีความหวังอันเลื่อนลอยของฉันความหวังที่เป็นไปไม่ได้ของฉันกัตเดมตุลิไฮยาตี ตอนที่ฉันมีชีวิตอยู่เนี่ยนะฉันน่าจะทำความดีงามไว้มากกว่านี้ฉันไม่น่าจะเอาความดีของฉันไปอวดกับคนอื่นฉันไม่น่าที่จะทอกทิ้งการทำความดีแล้วเลือกที่ไปเสพสุขในดุนยาฉันน่าที่จะให้อาหารกับคนยากจนฉันน่าที่จะให้เกียรติกับเด็กกำพร้าฉันไม่น่าจะไปแย่งในเรื่องของมรดกอย่างผิดๆฉันไม่น่าที่จะหลงไหลกับทรัพย์สมบัติมากขนาดนั้น d ็ด m Tu Lihayati ฉันหวังเหลือเกินว่าฉันจะได้ทำความดีงามในตอนที่ฉันมีชีวิตอยู่ในโลกยามยาพี่น้องจะรอให้มันเป็นประโยคที่เราพูดไหมล่ะจะรออย่างนั้นไหมล่ะเอาอย่างนั้นไหล่ะรอให้ถึงตอนนั้นก่อนแล้วเราให้มาพูดประโยคนี้ด้วยกันหรือว่าย a อ a ไ t a n i นี้ก็ดำตุลีหายาตมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าเราจะไปพูดตอนนั้นนอกจากความเสียใจ เวมไอ้ลลอดิลาอัดดอัลาบะฮูน้าอิาดามดัลลวมไอ้ายอัดาบะฮู อ, อ, อในวันนั้นเนี่ยจะไม่มีผู้ใดลงโทษได้เหมือนกับที่พงกํกำลังรอที่จะลงโทษอยู่พี่น้องจินตนาการไปในสัญญาพี่น้องกลัวอะไร พี่น้องกลัวคนลงโทษแบบ ot, ไหนพี่น้องกลัวการบอยคอรใช่ไหมพี่น้องกลัวคนไม่คบใช่ไหมพี่น้องกลัวคนที่รักไม่สนใจใช่ไหมพี่น้องกลัวว่าจะถูกฟาเซ่ไหมล่ะกลัวว่าจะถูกตีไหมล่ะกลัวว่าจะถูกไฟไหมล่ะหรือกลัวตายพี่น้องกลัวอะไรเลยในดุนยาหรือกลัวว่าใครจะลงโทษพี่น้องแบบไหนเพราะเรากล่าวว่าในกุอาโรคหน้าจบแล้วในวันนั้นเนี่ยไม่มีใครลงโทษได้แบบที่พวกเราร้องโทษได้แม้แต่คนเดียวเป็นการลงโทษที่จริงจินตนาการ เกินของเกินของเกินจินตนาการแล้วเราจะไม่กลัวกันเลยเรายังกันหลงละเลงกับดิงยาเลยวาลายูซิกุวาเซปะหูอะหัดอยายันนี้แปลได้สองอย่างอยายนนี้แปลได้สองอย่างแปลในความหมายที่ดีหรือแปลในความหมายที่น่าสะพรึงกลัววาลายูซิกุวาเซกะหูอะหัดแปลได้ว่าแล้วไม่มีผูดด้ใดให้ความเชื่อมั่นเช่นที่ป่งจะให้ได้ คือสำหรับคนดีๆเขาไปได้รับการให้กำลังใจตั้งแต่ผหลฟงฟังศุขเขาไปได้รับการปลอบประโลมจากพูเลาะตอนสอบสวนเขาจะได้รับการสอบสวนที่ง่ายดายที่เป็นเพียงการนําเสนอซึ่งบางทีคนอื่นไม่รู้มีเพียงเขากับอู้เลาะเท่านั้นที่รู้ว่าพูเลาะสอบสวนอะไรเขาบ้างมันคือความสบายใจมันคือความโล่องอกซึ่งพูเลาะบอกว่าไม่มีใครให้ความเชื่อมั่งความสบายใจได้เท่ากับผู้เลาะ ในดุนยาเราจะรู้สึกว่าเออคนนี้ดีช่วยฉันอย่างนี้นะฉันร อ, อดได้ฉันรู้สึกรักเขาจังเลยคนนี้ทำให้ฉันเกิดความมั่นใจว่าฉันจะรอดในดุนยาอาจจะคิดแบบนั้นแต่ในโลกหน้าไม่มีความเชื่อมั่นใดที่จะให้ได้มากกว่าที่โพรมาจะให้แล้วถ้าแปลอีกความหมายหนึ่งซึ่งเป็นความหมายน่าสะพรึงกลัวก็คือแล้วจะไม่มีผู้ใดที่ตวนร่ามได้ตวนล่างโซ ที่น่าสะพึงกลัวยิ่งกว่าการตัวล่ามของพวกลัซซูบานวาตาลาเป็นการตัวล่ามที่ไม่มีทางที่จะหลบหนีไปไหนได้อีกฟังแล้วน่ากลัวมิพี่น้องถ้าพี่น้องกลัวพวกล้อบอกว่าจงเป็นบ่าวที่ดีของข้าสิเพราะอะไรเพราะสําหรับชีวิตที่สงบแล้วพวกล้อกล่าวว่าไงครับยะไอยะตัวหันนับุลมุดมาอินนะ เมื่อโพลล็อพูดให้เราเกิดความรู้สึกกลัวโพลล็อกก็ได้ปลอบใจเราแม่้เราเกิดความรู้สึกกลัวโพลล็อกก็พูดถึงด้านบวกในกราฟเรียกว่าตัรีบกับตารีบเมื่อมีการพูดถึงด้านบวกก็จะต้องเตือนถึงด้านลบเมื่อมีการพูดถึงด้านลบที่ทำให้วาดกลัวพโพลล็อกก็จะพูดถึงด้านบวกที่ทําให้รู้สึกดีตอนนี้สำหรับคนที่สอบตกคนที่เลือกพฤติกรรมกลุ่มชนสมมุติกลุ่มชนอารกลุ่มชนฟาโรฟพราอง์ทั้งหลาย เขาสอบตกใช่ไหมไม่มีการลงโทษใดจะหนักไปกว่า น, นั้นแต่ถ้าผู้ใจที่เขาเหน็ดเหนื่อยในดุนยาในดุนยาอาจจะไม่พบกับความยุติธรรมในดุนดาเขาอาจจะบอกว่าทําไมชีวิตฉันเจอแต่บททดสอบหนักแล้วหนักอีกหนักแล้วหนักอีกเพราะมันเป็นเข้าสอบไงมันเป็นช้างผ่านเมื่อผ่านมาปุ๊บสิ่งที่เราจะได้ยินก็คือยะไอยะตุหันนับสุนมุตมาอินนะโอ้ชีวิตที่สนุกแล้วเอ ทำไมถึงสงบครับในดุนยาอาจจะเหนื่อยอาจจะทรมานอาจจะอะไรแต่เมื่อเราเสียชีวิตตอนเสียชีวิตเราสงบแล้วเพราะเรารู้ว่าเราจะได้กลับไปหาพวกลอ ส, สุบฮานหัวตาละเช่นเดียวกับภรรยาของเฟร อ, อนูนในยุค ข, ของท่นบีมูซาภรรยาของเฟร อ, อูนครับเมื่อเลือกที่จะเข้ารับอิสลามเพราะนางศรัทธาในสิ่งที่ท่านบีมูซานํามานางเลี้ยงดูท่านบีมูซานางรักท่านบีมูซายิ่งกว่าลูกทแท้ๆของนางแล้วนางรู้ว่าทนบีมูซาไม่ใช่คนโกหก แล้วนางเชื่อมั่นเต็มหัวใจของนางว่าสิ่งที่ท่านอับดุลลาสอด น, นั้นคือศัตรธรรมที่มาจากอัลลอฮ์เมื่อนางเลือกที่จะศรัทธาแล้วแข็งข้อต่อสามีของนางซึ่งเป็นทาราลาดคนที่ชั่วร้ายที่สุดในยุคนั้นนางถูกทําร้ายนางถูกทรมานนถูกทําร้ายทั้งจิตใจทั้งร่างกายทั้งคําพูดสารพัดที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะต้องเจอมันจนผลสุดท้ายช่วงบั้นปลายชีวิตนางทรมานจนจะเสียชีวิตแล้ว พ่อเลาะให้นางเห็นที่พำนักของนางในสวรรค์ตอนที่นางกําลังจะตายพ่อเลาะให้นางเห็นที่พำนักในสวรรค์นางยิ้มแล้วนางก็หัวเราะอย่างมีความสุขหัวเราะทั้งน้ําตาฟิรูนไม่เข้าใจครับฟิรูนบอกว่าบ้าไปแล้วใช่ไหมเนี่ยจะตายแล้วเนียจะมาหัวเราะมายิ้มได้ฟิรูไม่เข้าใจว่าในตอนที่ฟิรูนกําลังยิ้มย่ะอยู่นั้นเนี่ยคนที่มีความสุขแย่งแท้จริงคือภรรยาของตัวเอง จนเมื่อเฟืืร์อูนต้องจม น, น้ำตายตอนนั้นเฟืโร์อูนถึงจะเข้าใจรอยยิ้มกับเสียงหัวเราะของภรรยาตนว่านั่นมาจากคนที่หัวใจของเขาพบกับความสงบเลยเพราะนั้นพี่น้องที่รักดุญยาไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้เรานั้นรุ่มหนมไปกับมันไม่ใช่ว่าให้มันมาอยู่ในใจเรา แต่เพื่อให้เรานั้นผ่านบททดสอบ ผ, ผ, อผ่านแล้วผ่านอีกผ่านแล้วผ่านอีกจนถึงจุดที่ใจเราพบความสงบพร้อมกลับไปหาผัวล้อในสภาพที่ผัวล้อพอใจเขาแล้วเขาก็าพอใจพระองค์ผัวล้อสุภานุวตารากล่าวว่าไงครับเมื่อตอนเสียชีวิตเมื่อตอนที่ได้กลับไปหาผัวล้อสุภานุวตาร์ละผัเล้อกล่าวว่ายะไอยะทูห์นนับซุนมุตมาอินนะ เอรจีอีอลารับิกิรอดิยะตัมมารดิยะโอ้ชีวิตที่สงบแล้วโอ้ชีวิตที่สงบแล้วเอยอยอรจียจง ก, ก, กลับมาเถิดกลับมาเถอะเราจะพูดถึงคนที่พร้อมจะต้อนรับเอร์เจียอีอลารบบักบจงกลับมาเถอะมหาเจ้านายของเจ้ารอดียะตัมมารดิยะ กลับมาในสภาพที่เจ้านั้นมีความพอใจแล้วบททดสอบในดุนยามันหนักแค่ไหนแต่พอตายมันก็จบบางเรื่องเราขอดุว่าต่อชีวิตมันยังไม่ได้สักกีเมื่อถึงเวลาเสียชีวิตปุ๊บพวกรอดเตรียมสิ่งที่ยิ่งกว่านั้นไว้ให้รอดุย่าเรามีความพอใจแล้วพอตายครับผู้ศรัทธาทุกคนที่ศรัทธาต่อรอดอย่างแท้จริงถึงชีวิตเขาจะลำบากแค่ไหนก็ตามเมื่อเขาเสียชีวิตเขาพอใจแล้วรอดุย่าต่ำไม่ใช่แค่ตัวเขาที่พอใจมารอดี呀 มารดีะ่ะพวกลอสก็พอใจตัวเขาพี่น้องจะมีคําพูดประโยคใดที่มันจะดีไปกว่านี้เมื่อตอนที่เราได้ยินทพวกลอสสุบฮานูอาตาบอกว่าจงกลับมาเถิดพวกลอสนั้นพอใจในตัวเจ้าแล้วเจ้านั้นก็กลับมาในสภาพที่เจ้านั้นก็พอใจในตัวขององค์เยอะอายุต้นนับซึ่งมุดมาอินนะอิร์ชีอีลารับบีอิม ราดีต์มะรียะฟะดิคุลีฟิอิบัลีงเข้ามารวมกับปวงบาวของข้าปวงบาวที่เขาผ่านบททดสอบมาก่อนเจ้าที่เขาผ่านบทบนทดสอบได้ในสภาพของบาวที่อัลลอฮ์รักเช่นเดียวกันที่เขานั้นโดนทดสอบหนักกว่าเจ้าอย่างมากมายมหาศาลจนเจ้าอาจจะเกินจินตนาการแต่เจ้าก็เป็นบาวที่ข้าพอใจ แล้วข้าก็รักในตัวเจ้าเพราะฉะนั้นมาอยู่รวมกันสิมาอยู่รวมกัมมกบพวงบาทที่ข้ารักสิ What the coolie fee baadie What the c o o l i นี่คือประโยคสุดท้ายแล้วที่เราไม่ได้ต้องการประโยคอะไรมากไปกว่าประโยคนี้ชีวิตทั้งชีวิตที่เราเหน็ดเหนื่อยมากนี่คือประโยคสุดท้ายที่เราอยากจะได้ฟังตอนที่เราจะเสียชีวิตตอนที่เรากลับไปเจอพี่บาลของเราตอนที่เรานั้นจะถูกลับกับการสอบสวน What the c o o l i ฉันนตะีจงเข้ามาอยู่ในสุสวรรค์ของข้าเถิดพี่น้องที่รักยิงครับบททดสอบในดุนยานะ่ะมันหนักครับบททดสอบหลายบททดสอบที่พี่น้องเจอนะ่ผมไม่รู้หรอว่ามันหนักขนาดไหนมันอาจจะหนักเกินจินตนาการที่คนคนจะเข้าใจว่ามันหนักได้ขนาดนี้เลยนะเพียงแต่ว่าพี่น้องที่รักบททดสอบนั้นมีไว้เพื่อให้เรานั้นเป็นบ่าวที่อัลลอฮ์รักบททดสอบนั้นมีโดยที่อัลลอฮ ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเราบททดสอบนั้นมีเพื่อที่จะให้เรานั้นพิสูจน์ตนว่าเราเป็นบาวที่คู่ควรกับความรักของพ Allah รัวลอสุบะฮันหัวตาลาเพียงใดอดทนเถอะพี่น้องอดทนจนกว่าจะถึงวันที่เราจะได้ยินเสียงว่าเอรูเชียจนกว่าวันที่เราจะได้ยินเสียงว่ายาไอยาพันนับสุลมุตมาอินนะชีวิตที่สงบแล้วเ อ, อ๋ย เอราเชีอเอราลบิเกโรเดียตัมารดียาจงกลับไปหานายของเจ้าเถิดในสภาพที่พงค์นั้นพอใจเจ้าและเจ้าก็พอใจในตัวพงค์เฟเดรคูลีฟีอีบาดีวัดคูลีชนนตีจงมาอยู่ร่วมกับหมู่บ่าวของข้าบ่าวที่ดีของข้าวัดคูลีชนนตีจงเข้ามาสู่สวรรค์ของข้าเถิดครับพี่น้องที่รักยิ่งครับเราก็จบ ในการพูดคุยในสระอัลฟัตแต่เพียงเท่านี้ขอด้วยจากผัวลอสซุบะฮานุฮุตาลาผู้ทรงสูงทรงผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเกรียงไกรผู้ที่ไม่มีพระเจ้าใดนอกจากองค์ผู้ที่รักเรายิ่งกว่าที่บิดามารดารักเราซีกขอด้วยจากผัวลอสซุบะฮานุฮุตาลาผู้มีความสามารถผู้เมตตาผู้ให้อภัยอวลล้อปวดโย้โทษให้แก่บาปเบาเบาต่างของพวกนี้เถิดโปวดโย้โทษในบาปต่างๆที่พวกเราด้วยทำได้เถิด ยาวล้อสิ่งใดก็ตามที่เราทำผิดพลาดไปไม่ว่าเรารู้หรือเราไม่รู้มันมาจากความงุ่กเข่าของเราเราเน้นศรัทธาต่อพระองค์เราเน้นยอมจำนวนต่อพระองค์โอ้พระองค์โปรดเมตตาเราด้วยโปรดให้อภัยเราโปรดเมตตาเราโปรดให้เราอยู่ร่วมกับปวงบ่าวที่พระองค์รักแล้วก็ปวงบ่าวที่พระองค์เมตตาขอให้เรานั้นได้ประโยชน์จากอัลกรุรอานขออย่าให้เราเป็นหนึ่งในกลุ่มชนที่หลงลืมอักุรอาน ขออย่าให้เราเป็นหนึ่งในกลุ่มชนที่ว่าไม่ได้รับสาระหรือประโยชน์อันดีงามจากอัลกุรอานขอให้เราเป็นกลุ่มชนที่ได้อ่านอัลกุรอานอ่านในสภาพของบ่าวที่พวงักขอให้เราได้อ่านอัลกุรอานอย่างน้อยเถอะต่อให้เราไม่เข้าใจความหมายทั้งหมดแต่ก็ขอให้เราได้ประโยชน์จากกุรอานอย่างเต็มที่ขอให้กุรอานนั้นเป็นแก้แต่ดวงใจของเราขอให้กุรอานนั้นให้ความชุ่มฉ่าแก่หัวใจของเราขอโปรดอย่าทดสอบเราในสิ่งที่เกินความสามารถของเรา แล้วหากพงษ์ทดสอบเราด้วยบททดสอบใดก็ตามโปรดให้ความเชื่อเราด้วยเถิดโปรดเมตตาเราโปรดรักเราพงษ์นั้นเป็นที่รักและเป็นเจ้านายเราแล้วโปรดให้เรานั้นมีชัยเหนือบรรดาศัตรูผู้ไปียเดต่อพงษ์ด้วยเถิดอามนครับอกูลูกลีฮวซักฟุลลอฮะลิบัลุมวิาลมุสลิมีนามินุลิดะมัซักฟูอินฮวกฟูร์ฮิมซุบฮลกลฮัมดิะอัชฮะุอัลลาอิลาออัตอัลักะ و ب ر ك ا ت ه